บุกทูหกสิบห้าเพินเสดการปฏิเสธสองเนกาซยดวาแหวนวงนี้แพงไหมคะอารีตาเพอรสตันดรกไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรแน่ซาเอเลสโตยูโรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะอัมปาคิอสยิ m อิมามสมเุเดเซตคุณเสร็จแล้วใช่ไหมซิจิโกโตซิจิโกโทวไม่ ยังไม่เสร็จค่ะแน่แน่เชแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะอันพักบุมตะคุยก็เท่าอันพักบุมตะคุยก็เท่วคุณอยากได้ซูเพิ่มไหมคะโอเชชเชเวตช์ยูไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ n น n o ู่นเชื e อมแต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะอัมปาร์ครนสลดอลิคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ j ีโดโกสต์นูเ e สทูเคยไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียว Ne, ่ e le เ n m นมิเ แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว e คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ a l l g r i u s u t r i d e m ไม่คะ่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์น่ s ne, c h l k o n e t s d i a แต่วันอาทิตย์